ถถือว่าความเกิดที่ตรัสในนิเทศแห่งอริยสัจหมายถึงการเกิดขึ้นของอาหารการมะมังการแล้วความแก่และความตายก็ควรจะหมายถึงความแก่และความตายของอาหางการมะมังการด้วยเหมือนกันความตายของอาหารการมะมังการเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ด้วยหรือควรจะเป็นสุขอย่างยิ่งดังพระพุทธพจน์ที่ว่าอาสมิมาณส์วินโยเอตังเวปรามังสุขัง